มสว่างโดยพันเอกปิน่นมุตุกันเรื่องที่1มารเรื่องของการก้าวหน้านั้นไปไปมามาก็เจอมารจนได้พอคิดจะทําอะไรให้มันเจริญก้าวหน้าท่านคนอื่นเขาสักหน่อยก็มีมารมาคอยขัดขวางคอยปัดแข้งปัดขาจะทําให้เราหกล้มเสียหลักให้ได้บางคนและบางคราว ก็เสียหลักหกล้มเอาจริงๆไม่เช่นนั้นคงได้ดีไปหนาแล้วมารที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ฝูงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือมารนอกตัวฝ่ายหนึ่งมารในตัวฝ่ายหนึ่งยุ่งทั้งสองฝ่ายแต่เราเปรียบเทียบความยุ่งกันแล้วมารภายในยุ่งกว่ามารภายนอกเพราะมารภายนอกอย่างมากก็แค่ยุ่งยากแต่มารภายใน ไม่ใช่เพียงแต่ยุ่งยากเท่านั้นถึงขั้นยุ่งเหยิงเอาเลยทีเดียวคือยุ่งจนหาที่แก้ไม่เจอยุ่งจริงๆเพราะฉะนั้นชุดก้าวหน้าก้านนี้ข้าพเจ้าขอเสนอแนกะเกี่ยวกับมารภายในโดยเฉพาะมารภายในที่ว่านี้คือตัวของเราเองความจริงมันก็เป็นพวกเดียวกับเรานี่แหละแต่บางทีมันก็กลับเป็นมารมาขัดขวางความก้าวหน้าของเราเอง พูดง่ายๆคือตัวเราเองไม่สมประกอบและที่เป็นตัวการของผู้กัดขวางจริงๆในตัวเราก็คือใจใจทั้งนั้นที่ขนเอาฝิ่นเอากัญชาเข้าตัวใจทั้งนั้นที่ดึงตัวเราไปเป็นฆ่าธาตุของเราของเฮโรอีนที่ติดหวยติดเบอร์จนหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจเรื่องของใจ มีเรื่องที่จะต้องพูดกันอยู่อีกมากถ้าเอามาพูดหลายเรื่องในคราวเดียวกันก็จะทําให้ฟั่นเฟือแก่ท่านผู้อ่านมากไปและที่ใจมันแสดงออกมาชัดเจนว่ามันเกเรคือทำตัวเป็นมารให้เราเห็นชัดๆจะต้องแก้กันด้วยวิธีหลายอย่างว่ากันเป็นเรื่องๆไปสำหรับคราวนี้จะขอพูดถึงใจที่ยังไม่เสียหายรุนแรงขนาดนั้น คือจะพูดถึงใจดีๆนี่แหละใจที่ยังเป็นพวกเดียวกันกับเราไม่ถึงกับเป็นมารชัดๆเพียงแต่ว่าเป็นใจที่ไม่ค่อยสมประกอบหรือใจที่ไม่ได้อย่างใจจะเรียกว่าใจซุกซนหรือใจขี้อ่อนก็แล้วแต่จะเรียกคล้ายๆกับเด็กทารกบางคนพอพี่เลี้ยงจะให้นอนแก้เกิดจะกินครั้งจะให้กินแก้เกิดจะเล่นรวมความว่า มียันเป็นไปจนได้แต่ไม่ถึงกับเป็นอริกันใจของท่านเองเคยมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าถึงเวลานอนแล้วเราเองก็อยากหลับจะได้มีแรงไว้ทำงานทำการนอนแล้วหลับตาแล้วแต่ใจเจ้ากรรมมันเกิดไม่หยุดคิดเลยหลับไม่ลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนโมโหก็โมโห โมโหแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันเพราะที่เราโมโหก็โมโหใจเราเองไม่รู้จะไปบ่นเอากับใครบางครั้งใจเกิดสร้างอารมณ์สับสนขึ้นมาในตัวเองนี่ก็ยุ่งเหมือนกันเอตโรเด็กพักเดียวตั้งแต่ตอนเช้าแต่ใจกลับขุ่นมัวอยู่ตั้งครึ่งค่อนวันทิ้งไม่ลงบางทีถูกอารมณ์ร้ายผ่านมาวูบเดียวตั้งแต่อยู่ที่ทางาน ใจเราก็หอบเอาอารมณ์นั้นตามติดมาถึงบ้านและในทำนองเดียวกันบางครั้งใจเราเกิดหอบเอาอารมณ์จากบ้านไปเรียราดอยู่ที่ทํางานก็มีทำให้เวลาคิดอ่านทำงานก้าวหน้าเสียอ า, ากาศไปอย่างน่าเสียดายท่านที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องคิดบ่อยๆเช่นนักเรียนและนักศึกษาต้องเปลี่ยนหัวคิดไปตามวิชาเรียนรายชั่วโมง จะต้องคอยตัดความคิดเป็นระยะระยะคือเมื่อคิดเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ต้องเลิกคิดจะต้องเริ่มคิดเรื่องใหม่ต่อไปเรียกว่าปิดใจเป็นเรื่องๆแต่บางคนทำไม่ได้ตัวกำลังเรียนเรื่องคนวณแต่ใจเกิดไปเอาเรื่องแข่งกีฬากันตั้งแต่วันก่อนมาคิดพูดอีกทีคือไปเอาเรื่องนอกเรื่องมาคิดเข้าทํานองว่าคิดเรื่องที่ไม่ได้ทํำ ทำเรื่องไม่ได้คิดนี่ก็หัวใจไม่ได้เรื่องเหมือนกันพูดถึงนักพูดนักประพันธ์ตลอดจนนักปฏิบัติทางสมาธิภาวนาถ้าใครเป็นโรคใจปิดไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนานๆเข้าใจจะเสื่อมพลานุภาพทำให้คําที่เขียนหรือคําที่พูดเสื่อมรสชาติลงไปโดยไม่รู้ตัวเพราะตามกฎทางจิตใจ ก็ความหรือถ้อยคำที่เราเขียนหรือพูดออกไปนั้นย่อมเป็นที่ถ่ายทอดพลานุภาพแห่งจิตใจลงไปด้วยนักพูดหรือนักประพันธ์ฝีมือดีบางคนบางครั้งก็มีตกเรื่องที่พูดที่เขียนออกมาไม่เป็นรสไม่เป็นชาติเลยนั่นแสดงว่าผู้พูดผู้เขียนอาจกำลังป่วยด้วยโรคที่ว่านี้ก็ได้คือหัวใจปิดไม่ลงเอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มาคิดสับสนปนเปนกันไปหมด เหมือนเราเอาชามที่ใส่แกงแล้วไม่ได้ล้างมาใส่ลอดช่องน้ากะทิรสของขาวกับรสของหวานมันเกิดมาปนกันเข้าลอดช่องน้ำกะทิเลยเสียรสไปลูกค้าก็เลยขาดความนิยมยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับใจของเราเองไม่อำน่วยยกตัวอย่างเช่นบางคนโดยสารรถโดยสารเรือจะไปธุระ เกิดใจเร็วกว่ารถกว่าเรือนั่งเร่งอยู่ตลอดเวลาบางทีก็คิดบ่นว่ารถช้าเรือช้ายิ่งใจเร็วมากรถราก็ยิ่งดูชักช้าอืดอาดมากเข้าอีกไม่ทันใจเอาเสียเลยผลที่สุดหัวใจก็ร้อนเป็นไฟเสียเงินค่าโดยสารแทนที่จะเดินทางให้มันสบายใจสักหน่อยกลับต้องมาทรมานตัวเองอีก กาที่เดินทางโดยเครื่องบินก็เหมือนกันเรามองดูเครื่องบินบนฟ้าก็เห็นว่าเขาเร็วทันใจจริงๆแต่อะไรได้คนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินก็ยังนั่งเร่งอยู่เหมือนกันทั้งทั้งที่รู้ว่าอีกชั่วโมงเดียวจะลงสนามแล้วใจก็ยังนึกอยู่ว่ามันช้าจะต้องรออีกตั้งชั่วโมงจะเป็นที่ทุระร้อนหรือจะเกิดงองแงก่อนถึงสนามก็ไม่ทราบได้ บางคนจำเป็นจะต้องอยู่ในที่อันจำกัดไปไหนมาไหนไม่ได้เช่นคนเจ็บไข้จิตใจวุ่นวายเจ็บน้อยก็เลยกลายเป็นเจ็บมากเพราะจิตใจไม่สงบคิดโน่นคิดนี่สะเพเหระขี้หมูราขี้หมาแห้งก็เก็บมันคิดหมดอีกพวกหนึ่งคือคนที่ถูกคุมขังเวลาที่ถูกคุมขังนั้นตัวอยู่ในแต่ใจอยู่นอก ยิ่งคนที่ถูกขังเดี่ยวยิ่งแย่เห็นใจจริงๆคนประเภทเหล่านี้วันคืนล่วงไปเชื่องช้าเหลือเกินอย่าว่าแต่จะต้องนอนแซวอยู่เป็นปีเป็นปีเลยแม้แต่เรานัดกับใครคนหนึ่งไว้แล้วเมียนต้องรอหรือต้องรอรถรอเรือสักชั่วโมงสองชั่วโมงยังอึดอัดไม่ใช่น้อยนี่แหละท่านถ้าใจของเราตกอยู่ในสภาพอย่างว่ามานี้ เราจะทําอย่างไรทําอย่างไรเราจึงจะปิดหัวใจลงทําอย่างไรเราจึงจะให้หัวใจหยุดคิดได้ทําอย่างไรจึงจะให้ใจลืมเวลาที่เชื่องช้าและลืมสิ่งที่กําลังทรมานกายทรมานใจพอให้เรามีความสุขสดชื่นขึ้นมาบ้างเพราะถ้าเราทําได้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้จิตใจของเราเอง เพื่อความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตของเราหากไม่มีวิธีอื่นที่ท่านทำได้ผลอยู่แล้วโปรดใช้วิธีง่ายๆซึ่งเป็นต้นทางของสมาธิตามวิธีทางพระพุทธศาสนาลองดู